จอเนพรนิยมมาได้ซีดีกันหรื อ, อยังได้ได้แล้วก็ไปฟังก่อนะหลวงพ่อก็เทศเหมือนกันทุกทีแหละนะฟังบ่อยๆก็แล้วกันถ้าฟังไปถึงจุดหนึ่งนะสติจะเกิดนะซีดีหลวงพ่อไม่ใช่สำนวนแบบเทศนาโมหะแบบอบรมสั่งสอนให้ทำทานถือศีลอะไรอย่างนั้นนะ สิดีหลวข้อเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเลยเป็นเรื่องของการหัดดูสภาวธรรมล้วนๆเลยการหัดดูสภาวธรรมนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เราไปเจริญวิปัสสนาได้เพราะการเจริญวิปัสสนาจริงๆเนี่ยนะคือการที่เรามีสติขึ้นมานะนะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงได้ ถ้าเราสามารถรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจริงปัญญาเป็ความเข้าใจจิตใจมันจะเข้าใจสภาวธรรมทั้งหลายนะทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พ้นทุกข์ได้จิตใจจะมีแต่ความสุขถาวรแล้วคราวนี้ การปฏิบัติจริงๆเนี่ยกรอบของมันมีเท่านี้เองพูดให้ย่ อ, อกว่านี้ก็ได้นะหพ่อเคยศึกษาพระอาจารย์มหาบัวเคยสอนพ่อการปฏิบัติเนี่ยนิดเดียวมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันประโยคสั้นนิดเดียวนะมาโอ้สั้นกว่านี้อีกนะมีหลวงปู่ทาตอนนี้ยังอยู่อยู่ทำซับมืดมีสติรักษาจิตสั้นนิดเดียวลงผู้ดูยู่สั้นแนละ้วดูจิตสั้นนิดเดียว จริงๆธรรมะไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ว่าหลักของการปฏิบัตินี่สั้นนิดเดียวถ้ายังดูจิตไม่ได้ก็ดูกายอย่าให้เกินกายออกไปเพราะฉะนั้นเีอาจารย์มหาบัวท่านสอนท่านตีกรอบเลยอย่าให้เกิดกายออกไปอรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันเี่ยลงเป็นปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่กายใจเมื่ออดีตเมื่ออนาคตนะคือลงปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเป็นของจริงดิอนาคตมันไม่ใช่ของจริงแล้วนะถ้ารู้ลงใจรู้ใจลงเป็นปัจจุบันอย่าให้เกินนี้ออกไปถ้าเกินนี้ออกไปก็ไม่ใช่วิปัสสนาละอย่างจะไปรู้ความว่างไรู้สุญญาตารู้อะไรอย่างนี้นะพนะระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไหมนะท่านสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือเรื่องของกายกับใจล้วนๆนี่เอง นี่ส่วนมากเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เป็นเรื่องตลาดนะเราอยู่กับกายกับใจตัวเองมาตั้งแต่เกิดเลยแต่เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมานะร้องอูแวะอูแวะอาจจะลืมตาหรือเปล่าหลบข้อไม่ทราบนะอย่างลูกหมาลูกแมวมันยังไม่ลืมตาแต่ยังคนเราพอลืมตาขึ้นมามันก็ดูคนอื่นนะฟังก็ฟังสิ่งอื่นนะไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเอง การศึกษาธรรมะนี่คือการเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่เองเนะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเราเรียนรู้ลงมาอย่างส่องแท้นี่เราจะรู้เลยว่าความทุกข์ทางกายนี่ห้ามไม่ได้เป็นผลปล่อยได้จากการมีร่างกายแต่ความทุกข์ทางจิตใจนี่เป็นเรื่องที่หามาเองเหาเอาใหม่ในปัจจุบันนี่เอง ความทุกข์ทางกายนี่เป็นผลของกรรมเก่านะผมกรรมเก่าได้ร่างกายมาแล้วแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างแล้วแต่กรรมหล่อเลี้ยงไหมความทุกข์ทางจิตใจในปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆถ้าหากเราภานาเป็นเนี่ยเราจะขจัดต้นเหตุของความทุกข์ทางใจออกไปได้ให้เราคอยสังเกต ลงที่จิตที่ใจการปฏิบัติถ้าอยากเอาสั้นๆแบบโตแล้วเรียนรัดนะเอาแบบสั้นๆเลยให้คอยสังเกตที่ใจของเราไว้ดูซิความทุกข์มันมาได้ยังไงสังเกตแค่ไปความทุกข์มันมาได้ยังไงเราจะเห็นเลยว่าบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆนะใจเราก็คิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะคิดนะอยู่ๆหน้าคนคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาพอพโผล่ขึ้นมาปุ๊บนึกได้นางคนนี้โกงแชร์เราเมื่อสิบปีก่อนสมมติ พอนึกได้เห็นไหมไม่ได้เจตนาจะนึกนะมันนึกขึ้นได้เองทีแรกหน้าไอ้คนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะนึกถึงอยู่ๆก็โผล่แล้วก็จําเรื่องราวขึ้นมาได้ไม่ได้เจตนาจะจํามันจำได้ขึ้นมาพอจําได้ปับ๊บมันโมโหขึ้นใหม่ละความโกรธเกิดขึ้นมันก็โกรธของมันเองนะจิตมันโกรธของมันเอง ตรงนี้ไม่เป็นไรนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ใจมันนึกขึ้นมาใจมันคิดขึ้นมานะจนกระทั่งกิเลสเกิดขึ้นมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องกระบวนการทํางานปกติของจิตใจนั่นเองจิตใจนั่นมันคุ้นเคยที่จะปรุงกิเลสมันก็ปรุงกิเลสมันคุ้นเคยจะปรุงกูศสนมันก็ปรุงกู่สนมันปรุงของมันเองตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญหาของนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้คอยดูต่อไปพอจิตใจมีความโกรธเกิดขึ้น ตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นปัญหาคือเราจะเริ่มเกิดความยินดียินร้ายนะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเช่นรู้สึกเกลียดนางคนนี้มากเลยเกลียดมากกว่าเก่าอีกนะยิ่งคิดยิ่งแค้นนะแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปว่าทำยังไงจะไปแก้แค้นมันได้นะตัวนี้ตัวเริ่มปัญหาล้จิตใจจะเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะนะฉะนั้นในขณะที่สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นนะจะเป็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศล สภาวะธทําเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาอย่างเช่นเราเดินชอปปิ้งไปนะไปเห็นของสวยๆอยากได้ขึ้นมาใจมันมีโลภะขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ใช่ปัญหาแต่พอเกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยใจมันจะดิน้นตรงที่ใจมันเริ่มดิ้นเนี่ยนะตัวปัญหามีกิเลสขึ้นมาแล้วเกิดการกระทํากรรมนะเกิดการกระทํากรรมคือเกิดการดิ้นรนผังใจใจมันจะดิน้นดินดินเลย ตรงที่ใจมันดิ้นรนนี้แหละเป็นตัวปัญหาในปัจจุบันแนละ้วทันทีที่จิตใจมันเริ่มดิ้นนะจิตใจมันจะมีความทุกข์จิตใจที่ดิ้นนี้เรียกว่าพบนะภาษาบาลีเรียกว่าพบพอสำเพอพอผ่านชื่อเต็มๆว่ากรรมพบคือการทํางานของจิตเมื่อไรที่จิตทํางานเนี่ยจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นโดยอัสโนมัตินักปฏิบัติไม่มีหน้าที่คอยมีสติไว้นะ พตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโพะทัพอธรรมารมณ์พอกระทบๆมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอมีความยินดีมีความยินร้ายขึ้นมาแล้วจิตจะเกิดการทํางานตอนนี้ทํางานในปัจจุบันหรือสร้างพบใหม่ในปัจจุบันกานะรที่รูปเสียงกลิ่นรสพวกเนี้มากระทบโพะทัพามากระทบนะดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นผลของกรรมเกา่านะเป็นผลของกรรมเก่า กรรมเก่าไม่ดีก็สิ่งที่มากระทบไม่ดีกรรมใหม่กรรมเก่าดีนะสิ่งที่มากระทบก็ดีแต่พอกระทบแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอจิตเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยจิตจะทำกรรมใหม <Okay. S 2> ต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวสำคัญนะต้องคอยรู้ทัน <Okay. S 2> อย่างฮอมันนึกถึงคนนี้นเกลียด น, น้ำอยากฆ่าเขาวางแผนฆ่าเขาในี่ใจปรุงแต่งแล้วใจปรุงแต่งหรือว่าโทสะเกิดขึ้นมาฮอสตีไปเห็นโทสะ แต่แล้วไม่ชอบตัวสะอยากให้ตัวสะหายนะรีบพิจารณาอะไรต่ออะไรใหญ่นะเรีบเจริญเมตตาอะไรนี่คือความปรุงแต่งใหม่นะคือกรรมใหม่นะหรือว่านะราคะเกิดเกิด <laughs> จิตใจก็ทํางานปรุงแต่งนะอะไรอะไรเกิดขึ้นในใจมันจะคอยปรุงแต่งต่องั้นถ้าตัวสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ตัวปัญหาห้ามมันไม่ได้สภาวธรรมจะเกิดนี่ห้ามไม่ได้แต่ถ้า สภา ว, วะธรรมเกิดพอจิตไปรู้เข้าแล้วนะทั้งรูปเสียงติรถโภธภะธรรมารงพอจิตไปรู้เข้าแล้วนี่นน จ, นจิตจะเกิดความยินดียินร้าย<ม>แล้วจิตทํางานทันทีที่จิตทํางานจิตจะมีความทุกข์ให้เรามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายพอตามองเห็นเกิดความยินดียินร้ายมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะเช่นเขาชมเราเนี่ยเรายินดีให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเราจะจูงแต่งทางใจของเราเองจูงใหม่ ถ้าได้ยินคําด่าเนี่ยเราก็เกิดโมโหขึ้นมามันก็ปรุงแต่งอีกให้รู้ทันที่ความปรุงแต่งอันใหม่นี่ความยินดียินร้ายแล้วก็เกิดความปรุงแต่งแห้คอยรู้ไปอย่างนี้ได้มีสติรู้ไปด้วยจิตใจมันจะไม่ดิ้นรนจิตใจมันจะไม่ทํางานจิตใจมันจะมีความสงบสุขอยู่ในปัจจุบันอันนี้เราสงบสุขด้วยการมีสตินะนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนี่พอสภาวะธรรมเกิดแล้วจิตยินดียินร้ายเรารู้ทันจิตมันจะเป็นกลาง พอ จ, จิตมันเป็นกลางเนี่ยมันจะสามารถรู้สภาวธรรมนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยมันจะรู้ได้อย่างเป็นกลางจริงๆมันจะเห็นความจริงของสภาวธรรมเลยสุขก็เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่เดิมความสุขเกิดขึ้นมาก็หลงยินดีนะเกิดการทํางานอยากรักษาเอาไว้เนี่ยหรือดิ้นรนคนคว้าอยากให้ได้ความสุขมาอีกนะแต่เดิมความทุกข์เกิดขึ้นก็ยินร้าย หาทางขาจัดหาทางทําลายมันหนระือหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกเยมันจะเกิดการทํางานอย่างเงี้ยนะเพราะว่ายินดีนยินร้ายแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันนะจิตกระทบนะไปรู้ว่ า, าความสุขเกิดขึ้นความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันมันความยินดีจะดับไปจิตจะเป็นกลางต่อความสุขนะมีปัญญาเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวนะความทุกข์เกิดขึ้นมาจิตยินร้ายไม่ชอบมัน มีสติรู้ทันจิตใจที่ไม่ชอบความทุกข์ปฏิเสธความทุกข์เนี่ยความไม่ชอบนี่มันจะดับไปเราก็จะรู้ความทุกข์ตามที่มันเป็นสักพักหนึ่งก็จะเห็นเลยความทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ดับได้กุศลกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นมาได้ก็ดับได้นักปฏิบัติในรักกุศล สติมาลึกได้ว่ากูศลเกิดขึ้นมาก็ยินดีอยากให้เกิดบ่อยๆอยากให้เกิดนานๆนหาทางรักษาเอาไว้เกิดการทํางานทางใจจะรักษาความดีก็ทุกนะทุกแบบคนดีน <ะ S 2> หรืออากูศลเกิดขึ้นมาเนี่ย <นะ S 2> ใจไม่ชอบนี่นักปฏิบัติไม่ชอบ <นะ S 2> ก็หาทางขจัดมันจิตใจเราก็ต้องทํางานมากขึ้นกว่าเก่ากแทนที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ปรุงแต่งไม่ทํางานนะกลายเป็นว่าเราทํางานมากกว่าเก่าความทุกข์ก็มากกว่าเก่า คนชั่วก็ทุกข์อย่างคนชั่วคนดีก็ทุกข์อย่างคนดีเพราะว่ายึดถือในสภาวธรรมทั้งหลายนั้นแต่ถ้าเรามีสตนะิความเป็นกลางเกิดขึ้นกับใจเราจิตใจเป็นกลางเห็นความสุขก็เป็นกลางความทุกข์ก็เป็นกลางากุศลนกุศลก็เป็นกลา ง, นานนลางในที่สุดมันจะมีปัญญาขึ้นามาเห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลกุศลก็ชั่วคราว เนี่ยพอมีปัญญาเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของเราล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยต่อไปจิตมันจะไม่มีความยินดียินร้ายพอสภาวธรรมนั้นเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นกลางจิตไม่ยินดียินร้ายละแต่เดิมเนี่ยจิตไม่มีปัญญาพอเห็นสภาวธรรมแล้วจิตจะเกิดความยินดียินร้ายเราต้องมีสติไว้สู้มีสติไว้รู้ทันจิตจะเป็นกลางพอจิตเป็นกลางเราก็รู้สภาวธรรมต่อไปจนเกิดปัญญาเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นของชั่วคราว จะไปพอสภาวธรรมมาเกิดขึ้นมานะจิตเป็นกลางเองเลยไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราเข้าใจสภาวธรรมแจ่มแจ้งนะจิตจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งหมดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงเพรา ะ, <S <S <น>ะงั้นการที่เรามีปัญญานะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาทารวจรปัญญาสูงสุดเลยคือการเกิดอริยมรรคจะไม่มีกิเลสขึ้นใหม่ไม่มีความปรุงแต่งขึ้นมาอีกนะ อันนี้หมายถึงถ้าปฏิบัติสุดขีดแล้วนะเดินถึงอรหัตมรักผ่านไปแล้วเนี่ยจิตจะไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นใหม่อีกลนะจิตเขาปรุงของเขาได้แต่เราจะไม่ปรุงอีกละ <Yeah. S 2> จะไม่มีความปรุงแต่งตามหลังการรู้อารมณ์มันจะรู้อย่างสักว่ารู้แล้ว ร, วรู้แล้วจบลงแค่รู้เลย <Yeah. S 2> ยิ่งถ้าเราภาวนามานะเบื้องต้นก็คอยดูไปตามลา ด, ำดำับ หัดรู้ก่อนว่ามีสภาวะอะไรกาลังปรากฏในใจเราเช่นใจเรากําลังโลภ ก, ก็รู้ทันเมื่อโลภใจเราโกรธก็รู้ว่าโกรธนะพอมันโลภแล้วใจเราอยากได้ดิน้นรนต้นกว้าอยากได้อันนู้นอันนี้ให้รู้ทันเข้าไปนะหรือมันโกรธแล้วอยากหายโกรธให้รู้ทันความอยากหายโกรธถ้ารู้ไม่ทันใจจะดิน้นใจจะดิ้นแล้วใจจะทุกข์้องต้นนี้ก็ทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วมีสติ มีสติรักษาใจไว้เป็นขณนนะขณะขณะไปจนใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลางในที่สุดจะเกิดสัญญาเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายเป็นของชั่วคราวต่อไปพอสภาวะปรากฏขึ้นมาสติระลึกรู้เนี่ยจิตจะเป็นกลางอัตโนมัติเลยไม่มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นใจไม่ทํางานนะไม่ทํางานการรู้สภาวะเนี่ยถ้ารู้แจ่มแจ้งถึงที่สุดนั่นเอง เรียกว่ารู้ทุกเรียกว่ารู้ทุกเพราะว่าสภาวะก็คือรูปกับนามกายกับใจนี่เองถ้าเรารู้แจ่มแจ้งเนี่ยรู้เลยทั้งรูปทั้งนามนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วมันจะไม่ดิ้นอีกต่อไปละเรื่องการที่เรารู้กายรู้ใจเนี่ยสําคัญมากนะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจากภูตุชนจะขึ้นพระโสดาบันเนี่ยก็ต้องรู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้อย่างอื่น รู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายและใจนี้ด้วยตัวเราไม่มีในที่ใดๆมีแต่กายกับใจทํางานของเขาอย่างอิสระแต่ละตัวแต่ละตัวเขาทํางานของเขาไปเนี่ยพระโสดาบัตก็เห็นเรื่องกายเรื่องใจ พระสกีทาคาก็เห็นอย่างเดียวกันนี้แหละแต่สติมันไวนะสติมันไวอกูสนหยาบหยาบเกิดไม่ได้แล้วแล้วนเะขกิเลสไวตัววับสติเห็นเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะพระสกิทาคาเลยกิเลสเบาบางเสร็จแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งอเดี๋ยวให้เรือบิดเหมือนไปก่อนพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความจริงของกายแจ่มแจ้ง จะเห็นในร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ <c oughs> เนี่ยพอเห็นอย่างนี้หมดความยึดถือในกายทันทีที่หมดความยึดถือในกายนี่นก็คือการหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายในหนึ่งเพราะตาก็คือกายหูก็คือกายจมูกลิ้นก็คือกายนะกายก็คือกาย เมื่อเราไม่ยึดถือในตาหูจมู ก, กลิ้นกายแล้วมันจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและปวดสะพา้าปวดสะพ้าคือสิ่งที่มากระทบทางกายเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งอะไรพวกนี้นี่สิ่งเหล่านี้มากระทบมันจะไม่ยึดไปด้วยเสภาะเาเหล่านี้เกิดขึ้นรูปเสียงกลินล่นรสปวดสะพ้าใดๆเกิดขึ้น ใ, นใจมันจะเป็นกลางอัตโนมัตินะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลินล่นรสปวดสะพ้าอีกต่อไปเพราะไม่ยึดกายผู้ที่ หมดความยินดียินร้ายในตาหูจมูกลิ้นกายในรูปเสียงกลิ่นรสปวดัาผะนี่คือสาร้างนาคามีจะละกามและปฏิค้าได้โดยอัตโนมัตินะเพราะว่ากามมันก็คือความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลินล่นรสปวดัาผะปฏิค้าก็คือความไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาผะนั่นเองเพราะฉะนั้นภาวนาไปเนี่ยมันจะละความยึดถือกายได้ก่อน ต่อไปมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยมันจะยึดถืออยู่ที่จิตอันเดียวกนะ็วต้องดูต่อไปอีกจนกระทั่งหมดความยึดถือจิตเพราะว่าเห็นว่าจิตไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บางท่านเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วก็วางลงไปพอวางความยึดถือกายยึดถือใจไ ด, ได้ได้สําเร็จเด็ดขาดนี่ก็คือพ้นจากทุกข์นั่นเองเพราะกายกับใจนี้คือตัวทุกข์นะกายกับใจคือตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นตัวเนี้ย ถ้าเราเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์เมื่อไหร่เราก็จะต้องเป็นพระอริยะอย่างน้อยก็พระนาคาขึ้นไปล้วเราจะเห็นได้แค่ว่าร่างกายเนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อไร่เรามีปัญญาแทงทะลุลงไปในกายนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆแล้วมันจัดสลัดความยึดถือกายออกไป แทงทะลุลงถึงจิตถึงใจจริงๆเลยเห็นไหมจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนจิตให้ธรรมชาติไปไม่ยึดกายไม่ยึดจิตก<ม>็ ค, คือคืนตัวทุกให้กับโลกเข้าไปนั่นเองเพราะงั้นเวลาเราภาวนาอาไปมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งเราสลัดคืนสลัดคืนกายสลัดคืนใจให้โลกเข้าไปจิตใจเราก็จะคืนปวาสันติสุขที่แท้จริงมันจะหมดความดิ้นรนหมดความทยานอยากใดใดทั้งสิ้น การรู s <S uh, ้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายใจเป็นทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยจะทำให้หมดรักหมดยึดควหมดยึดเนี่มันก็หมดอยากหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากนะที่จะให้กายให้ใจคนทุกข์ไม่สนใจมันแล้วเพราะว่าคืนมันไปแล้วมันหมดความอยากดันั้นการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนี่แหละเป็นอันละสมุทัยละตัญหาได้เด็ดขาดนะ นี่พวกเรายัางทำไม่ได้พวกเราแค่มีสติแล้วก็สู้กับตัณหาได้เป็นคราวๆ ค, นะความอยากความดีดีร้ายเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันก็พ้นเอาตัวรอดได้เป็นค่าวๆนะจเกระตั้งใจเป็นกลางแล้วก็มารู้กายรู้ใจเป็นเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเขาเป็นไพรลักษณ์แล้วก็จะวางคราวนี้ถึงขั้นปล่อยวางนะวางแล้วพ้นทุกข์นะอย่างทุกวันนี้จิตใจของเราต้องดิ่มรนมากมายเนี่ยเพราะเรายึดถือว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรา ถ้าเมื่อไรเราไม่ยึดถือว่ากายกายใจเป็นเราเนี่ยมันจะไม่มีความดิ้นรนทางใจอีกแล้วความดิ้นรนทางใจหรือตัณหานั่นเองตัวสมงไทยัยที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นในปัจจุบันะนั้นมันจะไม่มีทุกข์เพราะตัณหามันจะมีแต่ทุกข์ของกายของใจแต่จิตใจเราก็ไม่ได้ยึดถือกายยึดถือใจเราก็ไม่ได้ยึดถือตัวทุกข์ไว้ด้วยนั่นเองนั่นเราก็จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะใช้คําว่าพ้นทุกข์นะไมไ่ใช่ใช้คําว่าดับทุกข์นะ ดับทุกข์มันจะเป็นดับตอนดับขันนั่นแต่ตอนนี้มันแค่พ้นทุกข์ทุกข์คือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี่อันหนึง่งแล้วก็ไม่ตกอยู่ใต้ตัณหาปรุงแต่งทํางานทางใจแล้วเกิดทุกข์ซําซ้อนขึ้นมาอีกอันหนึง่งการปฏิบัติทั้งหมดนะในกรอบกว้างๆจะมีอยู่แค่เนี้ยต่อไปก็เป็นวิธีการ วิธีการที่ทํำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองได้คนทั่วทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยยอมรู้ตัวเองถ้ารู้ก็รู้ได้นะไม่ใช่เรื่องยากอย่างหลวงพ่อเคยถามเด็กเล็กๆกะโกรธเป็นไหมเด็กก็โกรธเป็นเด็กรู้จักว่าความโกรธเป็นยังไงเด็กรู้จักว่าความโลภเป็นยังไงรู้ว่าอิจฉาเป็นยังไงนะรู้ว่ากลัวเป็นยังไงรู้ว่ากังวลเป็นไงเด็กมันก็รู้จักนะพวกเราก็รู้จักทุกคนอะสภาวะธรรมในจิตในใจนี่ดูง่าย หลายคนบอกว่าดูจิตยากนะลองถามดูสิว่ารู้จักสภาวะทางจิตใจแต่ละอย่างไหมก็รู้ทั้งนั้นนะอิจฉาก็เป็นนะไม่ใครไม่เคยอิจฉาไม่มีไหมในห้องนี้ถ้ามีก็ประหลาดแล้วนะใครไม่เคยกลัวมีไหมไม่มีก็ประหลาดอีกทุกคนรู้จักเมื่อสภาวะธรรมจริงๆทางจิตทางใจเราเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงวิธีปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยค่อยรู้สึกไปในขณะปัจจุบันเนี่ย จิตใจของเรารู้สึกยังไงมีสภาวะ ร, รมอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานะเช่นฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วงงเนี่ความงงก็คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองให้เรามีสติรู้ว่ากําลังงงอยู่ดูลงไปซิพอมีความงงมันจะเกิดความยินดียินร้ายใช่ไหมมันจะอยากอยากรู้เรื่องเนี่ยให้รู้ทันความอยากนี้ลงไปนะพอความอยากดับจิตเป็นกลางรู้ความงงด้วยความเป็นกลางความงงก็จะแสดงไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ดู หรือฟังหลงพ่อพูดแล้วแมมมันมีความสุขจิตใจมันสงบเนี่ยนะรู้ลงใจจิตใจมันสงบพอจิตใจมันสงบแล้วมันยินดีเนี่ยชอบใจในความสงบให้รู้ทันความชอบใจความยินดีนี้ถ้ารู้ไม่ทันจิตใจเราจะเพลิดเพลินหลงไหลอ ย, อยู่ในความสุขในความสงบอีกง่ายๆอย่างนี้เองนะสภาวะทางจิตใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเป็นเรื่องที่ดูได้ง่ายๆลูกเล็กเด็กแดงมันก็ดูเป็นนะ ส่วนสภาวะทางรูปนี่ดูยากนิดหนึงคนจะดูกายได้ดีต้องทำสมาธิการานุปัสสนาหรือรู้เวทนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาเนี่เหมาะกับคนเล่นฌานแต่จิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามัเหมาะกับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ทำฌานหลายคนเข้าใจว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตเมื่อสักเดือนก่อ น, นมีอาจารย์พิธามท่านหนึ่งเข้าไปที่วัดหลวงพ่อ เขาบอกว่าดูกายง่ายกว่าดูจิตนะครับ mm. ใครสอนน่ะพระพุทธเจ้าสอนไในตรงไหนอ่ะ mm. ไม่มีนะพูดเราเอง mm. คนไหนถนัดดูกายก็ดูกายง่าย mm. ดูจิตยากนะครับ mm. คนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตง่ายดูกายลําบากมัน mm. อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนท่านไม่ได้เทียบกายกับจิตท่านเทียบกายกับเวทนา mm. แล้วก็จิตจเทียบกับธรรมนั mm. ้นบอกว่ากายและเวทนาเนี่ย เหมาะกับพวกปัญหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกายและเวทนานะเหมาะกับพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่กายเนี่ยเหมาะกับพวกอินทรีย์อ่อนดูง่ายพวกเวทนาเนี่ยเหมาะกับพวกอินทรีย์กล้าดูยากนั้นกายเนี่ยง่ายกว่าเวทนาไม่ใช่กายง่ายกว่าจิตนะอส่วนจิตเนี่ยจิตและธรรมเนี่ยเหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากจิตดูง่าย ธรมานุกัณณะเหมาะกับพวกมีอินทรีย์แก่กล้าโดยเฉพาะมีปัญญาแก่กล้าถ้าปัญญายัางไม่กล้านะก็ดูจิตไปท่านไม่ได้เทียบกายกับจิตเะฉะนั้นใครตนัดรู้กายก็รู้กายนะแต่อยากรู้กายอย่าลืมทําสมาธิบ้างให้ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะทําสมาธิก่อนที่จะมาดูกายท่านทําพุทโธหรือลมหายใจนะ ทำไปเรื่อยๆจนใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาพอใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาดูกายจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเลยร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนะเป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะแล้วก็เห็นด้วยเวทนาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตมันจะไปใจขันออกไปะจิตอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากนี่ถ้าเดินแนวกายแนวเวทนาต้องเดินอย่างนี้นะไม่ใช่ไปเพ่งกายนะ ดูลมหายใจก็ใจไหลไปอยู่กัลมนิ่งๆซึมๆทื่อๆดูท้องผ่องยุบ ก, ก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องลูกเดียวเดินจงกรมก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าลูกเดียวะคนไหนทำียริยาบทสี่เพ่งตัวทั้งตัวเลยนะนั่งนั่งอยู่ก็เพ่งมันทั้งตัวเลยนะเพ่งยืนก็เพ่งมันทั้งตัวอดังนั้นใช้ไม่ได้มันต้องมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกมาอยู่ต่างหากแยกรูปแยกนามให้ได้แยกกายแยกใจออกจากกันให้ได้ก่อน นี่ถ้าดูกายนะแต่ถ้าคนดูจิตใจเนี่ยให้รู้ความรู้สึกของปัจจุบันนี้เข้าไปเลยเราจะดูจิตใจในระดูสองอย่างอันแรกเราดูความรู้สึกอันที่สองเราดูปียาอาการของจิตใจความรู้สึกเช่นความโลภความโกรธความหลงความหดหู่ความพุ้งซ่านความลังเลสงสัยความกลัวความกังวลความอิจฉาเนี่ย สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแต่ต้องดัดแปลงแก้ไขนะรู้ลูกเดียวเลยรู้ตามธรรมดาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปอีกอย่างหนึ่งในการดูจิตเนี่ยดูอาการของจิตเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาเนียจิตก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปเกาะอารมณ์ หรือก้อนอะไรกลมๆที่อยู่กลางอกนะให้ก้อนนี้หนักบ้างเบาบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะใครเคยเห็นบ้างไหมเห็นไหมในคนในห้องนี้เห็นอยู่หลายสิบคนแล้วนะก้อนนี้ยให้ดูอาการของจิตใจนะจิตใจวิ่งไปทางตาก็รู้วิ่งไปทางหูก็รู้วิ่งไปทางใจก็รู้เนะี่ยดูจิตคือจิตที่ดูความรู้สึกอันหนึงดูกิริยาอาการของจิตใจอีกอย่างหนึง่ง ถ้าดูความรู้สึกก็จะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายไหลามาแล้วไหลไปผ่านมาแล้วผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเนถ้าดูจิตดูใจเราจะเห็นนะจิตนี้เกิดดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดทางใจนะจิตหนีไปคิดคิดคิดแเดี๋ยวเดียวก็ดับอีกอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปสังเกตจากของจริงๆนะฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปคนทั่วทั่วไปก็ฟังไปคิดไปแต่ไม่เคยเห็นนะ นี้พวกเรามาหัดภาวนาเราหัสสังเกตนะนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมฟังหน่อยหน่อยแล้วก็ไปคิดฟังหน่อยหน่อยแล้วก็ไปคิดสลับไปเรื่อยๆเนี่ยให้หัดรู้ของเราไปไม่ได้เรื่องยากเย็นอะไรนะคนในโลกนี้มันมีความทุกข์ขึ้นมาทางใจเพราะอะไรเพราะว่ามันแอบไปคิดแล้วไม่เคยรู้ว่าแอไปคิดคนะวามทุกข์นะเกิดตอนหลงไปคิดเท่านั้นแหละความทุกข์ทางใจอนะ่ะ นะ ค, ๆๆคิดๆไปก็ปลุมใจคิดไปก็ดีใจเด่นแตดีใจแล้วก็ชอบชอบแล้วก็อยากได้อยากได้ก็ทุกข์อีกแล้วนะเวียนไปเวียนมากลับมาหาความทุกข์กันไดนะ้ความทุกข์ทางใจมันเกิดทีเปลออกนะถ้าเรามีสติเรารู้ทันว่าใจไหลไปคิดทักรู้สึกขึ้นมานะใจตื่นขึ้นมาใจไม่ทุกข์แล้วนะให้การสังเกตนะนั่งฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะ ถใครเห็นตรงนี้แล้วกนาะปฏิบัติอย่างง่ายไม่มีอะไรเลย ว, วันวันหนึ่งแค่รู้ทันใจของเราแต่เราไปฟังก็รู้ใจเราไปดูก็รู้ใจเราไปคิดก็รู้ะคนส่วนใหญ่มันก็ดูมันก็ฟังก็คิดทั้งวันนะั่นแหละแต่ไม่เคยรู้ความต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติก็มีนิดเดียวตรงที่ผู้ปฏิบัตินะั่รู้ทันนะผู้ไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้เลยยกตัวอย่างนะเราเห็นใครเขาเดินมานะเขา คุยกันซุบซิบซุบชิบนิมอยากรู้อยากฟังอยากได้ยินว่าเขาพูดไรนะตั้งอกตั้งใจฟังเขาหรือแอ บ, บดูเห็นแฟนเขาจู๋จีกันน่าแอ บ, บดู <c oughs> นืขณะที่ไปแอ บ, บดูเขาไปแอ บ, บฟังเขาหรือตั้งอกตั้งใจฟังเขาเราลืมตัวเราเองเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะมันเห็นแต่คนอื่นมันลืมตัวเองเ <c oughs> นี่ยเพราะมันหลงไปทางตามันหลงไปทางหู <c oughs> หรือเรานั่งอยู่คนเดียวก็คิดไปเรื่อยๆ <c oughs> คิดโนู่นคิดนี่ สังเกตให้ดีขนาดที่เราคิดเนี่ยบางครั้งรู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ขนาดที่คิดนั่นแหละเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสน า, านนะวิปัสสนาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงคำว่าเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ค อ, อยรู้เอานะคอรู้ไปเรื่อย มีคนไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อเยอะนะวันวันหนึ่งหลายสิบหนึ่งวันเยอะเป็นร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยคนไปส่งกันบ้านรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบนี้นะฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังแต่ซีดีว่าไปรายงานการปฏิบัติมากฟังเห็นแต่สภาวะเกิดดับนะเห็นจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลย บางทีบางคนรายงานสภาวะนี่พระที่มานั่งฟังนะสั่นเลยนะเอพระยังกลัวหรือโยมภาวนาได้อย่างนี้นะธรรมะไม่มีพระไม่มีโยมนะธรรมะเป็นของกลางใครทำใครได้เพ้วนะเราคอยเรียนรู้คอยรู้สึกเข้าไปรู้กายรู้ใจอย่าน้อมเข้าหาความนิ่งความว่างอย่างเดียวกนะารน้อมใจเข้าหาความนิ่งความว่างนะั้นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐาน สมถะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ไม่ใช่หลวงพ่อห้ามทำสมถะอย่าเข้าใจผิดหลวงพ่อเองก็ทำสมถะสมถะเป็นที่พักผ่อนะแต่มีปััสนาเหมือนการทํางานนะสมถะเหมือนการพักผ่อนะพักลูกเดียวไม่ยอมทํางานนะชาตินี้ก็ไม่รวยหรอกนะหรือทํางานอย่างเดียวไม่ยอมพักนะก็เหนื่อยเกินไปนะทําได้ไม่นานเท่าไหร่ เพราะฉนั้นเวลาไหนจิตใจเราว้าวุ่นสับสนดูอะไรไม่ออกนะเราก็ไหว้พระสวดมนต์นี่ก็ได้สมถะแล้วนะทําอะไรไม่เป็นพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธให้ใจสบายแต่อย่าพุทโธเราไปเข็นใจนะว่าพุทโธเราต้องสงบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวบางทีพุทโธพุทโธอย่างได้อนะเพราะมันไม่สงบสักทีมันโมโหนะแต่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธนะสบายใจ พอใจสบายรู้ว่าสบายเนหะ็นไหมกลับมาดูจิตดูใจได้แล้วเหมืนสมถะนะก็ทำนะทำตามความจำเป็นเนี<ม>่ยทำทำมากแล้วก็ติดในความสงบเฉยเฉยไม่ยอมเดินปัญญานี้ใช้ไม่ได้เลยนะเสียโอกาสนะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ทั้งทีนะต้องเจริญปัญญาต้องทำมิปัสสนานะสมถะนะ่เป็นเรื่องง่ายาศาสนาอื่นเขาก็มีนะไม่ใช่ของลึกลับอะไรใครๆก็ทากันเยอะแยะ แต่วิปัสนาเนี่ยนานมานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนจะไม่มีวิปัสนาอยู่ในโลกวิปัสนาเนี่ยฟังชื่อแล้วน่ากลัวพูดง่ายๆก็คือการรู้การเห็นกายเห็นใจได้ตรงตามความเป็นจริงนั่นเองว่ามันเป็นไตรลักษณ์ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราก็าเห็นแล้ววางวางแล้วคนทุกข์วันนี้พูดได้ครึ่งชั่วโมงนมาพูดที่ศาลาลวงชิต น, นีนะ่ยากที่สุดเลย เขาโยมมีมากมายจํานวนก็เยอะนะภาวนามาก็แปลกๆ ก, กันนะนี่หลวงพ่อต้องพูดแบบกลางๆเห็นกลางๆแบบมาจากสํานักไหนฟังแล้วได้หลักไปนะทาไปทําอย่างเดิมได้ทาได้นะใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปนะพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็หัดสังเกตใจพุโทโธแล้วใจหนีไปก็รู้ใจสงบ ก, ก็รู้ใจพุ้งสร้านก็รู้ ใครใครฝึกหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้ใครเคยดูท้องของยุบก็ดูไปดูไปแล้วจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ท้องก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ะใครใครขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปะขยับไปแล้วใจลอยหนีไปคิดก็รู้ทันะขยับแล้วใจไปเพ่งใส่มือก็รู้ทันใช้หลักเดียวกันเนี้ย แต่็แล้วเราจะสามารถรู้ทันจิตใจของเราได้ถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราได้เราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้นะกรรมฐานอื่นๆเอาไปทําในชีวิตประจําวันลําบากนะอย่างเราจะเดินข้ามถนนเราก็ขยับมือไปด้วยนะคนอื่นหลีกหมดเลยนะกลัวนะหรือเราจะเดินข้ามถนนนะั้นเราไปยกเนะอย่างนะรถมันจะเหยียบก่อนที่เราจะเหยียบพื้นนะแต่ถ้าดูจิตดูใจนี่มันง่ายนะ มันอยู่ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะหรืออาณาปนานสตินะขับรถแล้วก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเนือยก็ชนกับเขาแตนะ่ถ้าขับรถตื่นตัวรู้สึกตัวถูกเขาปาดหน้ามโมโหรั่วมโมโหนี่ติดไฟแดงแล้วหงุดหงิดรั่วหงุดหงิดเนี่นะนะนี่กรรมฐานที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะที่มันเหมาะกับคารวาะคือหัดดูจิตดูใจตัวเองไปมันไม่มีรูปแบบไม่มีพิธีการคนอื่นไม่รู้ว่าเราปฏิบัติ คนอื่นไม่รู้เลยไม่มีฟอร์มให้ดูเลยนะอยู่ในคอร์มอะไรก็ได้คล้ายๆวิชานินจานะคือ <c ười> ใช้อะไรเป็นอาวุธได้ทุกสิ่งทุกอย่าง <c ười> เราจับกรรมฐานอะไรได้หมดเลยถ้าเรารู้จักสติรู้จักมีสติรู้จักจิตใจที่มีสัมมาส ม, มาธิตั้งมั่นขึ้นมารู้จักที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เผลอไปไม่ไปเพ่งเอาไว้ <c ười> ทากรรมฐานอะไรก็ได้ทั้งหมดเลย แต่ถ้าขาดสติอันเดียวเนี่ยทํากรรมฐานอะไรก็ไม่ได้เลยเหมือนกันหมดแหละพุโทโธแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะหายใจแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้ดูท้องฟองยุบแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้หรือหายใจแล้วก็เพง่งดูท้องฟองยุบแล้วก็เพง่งจิตใจแข็งแข็งทื่อทื่อแน่นแน่นไม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันดนะังนั้นฟังหลวงพ่ออดทนนิดนึงนะหลวงพ่อไม่เคยเก็บค่าเล่าเรียนนะฟังฟรีหนังสือก็แจกให้ซีดีก็แจกให้เอาไปฟัง หลายคนเลยที่ฟังฟังนะไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเวลามาส่งกันบ้านนะโอ้โหน่าฟังจํานวนมากเลยที่มารายงานการปฏิบัติบอกว่าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวจิตเป็นสุขเป็นภูมิเป็ น, ปนนะกุศลนกุศลรู้ทันนะแต่ทั้งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้สึกเลยนะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้สึกจิตไหลวิคิดปั๊รู้สึกเลยเนะี่ย รู้เลยว่าความฝันจริงๆคือความชิดใช่ไหมหัดเจริญสติให้ชำนี้ชำนานนะทําได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะร่างกายก็นอนกนนลนัวคลอกๆไปอยู่นั่นแหละนะแต่จิตใจของเราภาวนาของเราไปเรื่อยนะทั้งวันทั้งคืนแล้วทําไมมันจะไม่ได้ผลเร็วล่ะเห็นไหมมันไม่ย่อหย่อนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นเวลาปฏิบตัติอีกสิบชั่วโมงไม่ต้องปฏิบตัติไม่มีคํานี้นะลูกศิดลงพ่อประโมทเนี่ยเจริญสติหลายคนบอกว่าของหลวงพ่อง่ายๆไม่มีรูปแบบ ความจริงโหดที่สุดเลยนะโหดยิ่งกว่ามีรูปแบบอีกนะให้ไปเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรยังไม่โหดนะอาราต้องรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมีเวลายกเว้นให้เวลาทํางานเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยมันรู้ไม่ได้แต่เวลาที่เหลือเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปจิตใจมันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปหัดสังเกตอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยค้นคว้าอยู่ในกายในใจนี้ไม่จิ้งกายไม่จิ้งใจนะ กายกระใจเราคือธรรมะตัวจริงกายเป็นธรรมะเรียกว่ารูปประธรรมใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมาถ้ารู้รูปประธรรมรู้นามธรรมาแจม่มแจ้งเข้าใจความเป็นไตรักของเขาวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเราจะไปพบธรรมอีชนิดหนึ่งคือนิพพานนิพพานไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนิพพานไม่ใช่อยู่ในวัดนะ นิพพานอยู่ต่อหน้าตาเราเหล่านี้เองเมื่อไรใจของเราเข้าถึงสันติสุขหมดความอยากหมดความบิ้นรนหมดการทํางานเราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้านี้เองแล้วเราจะมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ใช่ของหมดสมัยแล้วนะใครทําใครได้นะอะอันนี้พออีกโยมถามไหมไม่มีไม่มีหนึ่งไม่มีสองอ่ะ <c oughs> <c oughs> การในเทศการหลวงพ่อคะ่ะเรื่องของอริยที่เธอกลับเรียนผลการปฏิบัตินะคะพระเจ่าก็จะถูกผิจารการใดถอเริ่มเริ่มตั้แต่เจริญสติปัฏฐานสีนะคะปฏิบัติไปเข้าสู่พัฒนายานผู้เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะเน้นหนักในความที่เป็นอนัตตาคือความว่างนะคะแล้วก็พัฒนาสู่การเห็นอริยสัจสี่โดที่รูกทุกข์จัด เราก็มีความรู้สึกว่าทุกข์กษัตริย์เนี่ยเป็นเหตุทําให้ละตัณหาได้ไม่ใช่อย่างที่เคยทราบมาว่าตัณหาเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้ละทุกข์แต่ทางด้านปฏิบัตินี้รู้สึกว่าทุกข์เป็นเหตุต่างหาที่ทําให้ละตัณหาได้หรือสมุทัยได้แในขณะเดียวกันนั้นก็จะแจ้งนิโรธโดยอัตโนมัติทั้งนี้ก็โดยมีมรรคเป็นคู่ดําเนินงาน ต่อมาก็ปัญญาจะเห็นอริยาาสัจสี่ที่ปกติจะแยกเรียกฐานกันเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากจะเห็นว่าแต่ละส่วนนี้ล้วนเป็นอนัตตาคือความว่างจากตัวตนที่แท้จริงในที่ฝึกก็มาเห็นว่าไม่ได้แยกแต่แยกอะไรกันเลยมาเป็นจุดเดียวกันที่เป็นอนัตตาความว่างอยู่ที่จุดเดียวกันนะคะทีนี้ ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาในโลกภายในกายยาววานะคือกว้างต่อเนี้ยคือทั้งกายและจิตนี้เป็นอนัตตาหรือความว่างจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างของโลกภายนอกหรือจักรวาลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ล้วนเป็นเพียงภาพมารยาลวงตาลวงใจเท่านั้นทำทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตาความว่างปราศรักตัวตนที่แท้จริง เห็นสมมติก็เห็นที่มุดในทุกเดียวกันนะคะเออดิฉันค<า>่ะเดี๋ยวไอ้ที่<า>พูดมาก็ถูกแล้วะนะ<า>ถูกครับนี่การปฏิบัติของเราก็คือให้เราคือถ้าการที่เราคิดพิจารณาธรรมะไปนะใจเราอย่างเข้าไปสู่ธรรมที่โยม ก, กลับามาเนี่ยถูกต้องแล้วนะนี่จุดสําคัญก็คือว่าใจของเราเนี่ย มันปล่อยมันวางไหมใจเรายังปรุงกิเลสขึ้นมาได้ไหมให้คอยสังเกตที่ใจของเราไปค่ะคือคือเท่าที่วัดผลของการปฏิบัตินี้ก็รู้สึกว่าความทุกข์นี่มันเบาบางลงน่าเบามากมันปลอดลงลง ม, มันเบาขึ้นแต่ว่าจะไปถึงไหนยังไงนี่ไม่ไม่สามารถจะทราบได้ค่ะแล้วก็ยังยังแน่ใจอยู่ว่ายังจะต้องก้องลืมต่อไป ทนี่วันนี้ที่มากราบนักการท่านก็อยากจะทราบว่าแต่ครุฑนี้เนี่ยจะควรจะถิ่ัปัดยังไงขอเขายโมนะสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงนะใจจะต้องตั้งมั่นนะใจขนาดเนี้ยมันกระจายออกข้างนอกกว้างๆมันพิจารณาภายนอกแลนะหละให้ทําความรู้สึกนะให้ใจมันตั้งมั่นมากกว่านี้นิดนึงนะน อ, อย่างเนี้ยรู้สึกไหมใจเราไหลไปในโลกของความคิดในขณะเนี้ยใจเราแรงไหลไป ใจยังมีการเคลื่อนไปนะคือถ้าเมื่อไร่ที่เราเห็นทุกขแจมแจ้งนะจนล้าสมุทัยเห็นนิโรธแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเป็นหนึ่งนะใจจะไม่เป็นสอง <Okay. S 1> นะแต่จิตของโยมเป็นสองโยมรู้สึกไหมมีจิตที่รู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปอนะไรเงี้ยจิตที่อยู่ตรงนี้กับจิตที่ไหลไปอย่งจิตไหลไปนในโลกของความคิดนะยังมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะโ <Okay. S 1> นะยมใ ห, ให้ให้ไปรู้ทันตัวนี้หนะ่อย okay. เนีย่ยยวรู้สึกไหมบางทีใจมันอยากพูดขึ้นมาเห็นะริ้วๆขึ้นมาเราก็รู้ทันมันนะนะใจแอบไปคิดเราก็รู้ทันมันเนี่ยขณะนี้แอบไปคิดให้รู้ทั น, นนะคือถ้ามันเข้าถึงการเห็นอริยสัจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่มีการแยกเป็นสองส่วนพ่าจิตอยู่ตรงนี้วิ่งไปตรงนีนะ้ไม่มีการไปการมาแล้วนะ มันจะเป็นอันเดียวรวดเลยหลวงปู่ดูเรียกว่าจิตหนึ่งหลวู่มั่นไร้ว่าสีที่จิตหลวงปูเทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแทะอย่างจิตของโยมขนาดนี้ยมันไหลไปในความคิดโยมนึกออกไหมเพราะว่าประทันทอดแตครับเพราะว่าขนาดนี้คือคือได้มีความรู้สึกตัวว่าจิตในขณะที่ปฏิบัติกับจิตที่นอก วิธีปฏิบัติเนี่ยมันยังทํางานไม่เสมอกันน้ามันยังไม่เสมอการนี่ได้โยมไปรู้ตรงเนี้ยค่ะแต่ในภาวะที่อยู่ในในในการที่ปะกัดปฏิบัติเนี่ยนะคะจะรู้สึกเป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งแล้วก็ปราศจากตัวตนและการคุ้มแข็งนี่โยมถ้าโยมสังเกตเห็นได้ตรงนี้นั้นดีมากละคือเราสังเกตเห็นว่าจริงๆจิตเรายังไม่เสมอกันยังมีสองอยู่ให้รู้ทันนะรู้ลงไปอีกแล้วมันตอบแทนจะเหลือหนึ่ง ตอตอนนี้มันเป็นหนึ่งเฉพาะในเวลาที่เราอ่านิพานแบบมีเข้ามีออกนะนิพานปลอหม <c oughs> <c oughs> นิพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกออแล้วขอถานโทษนะคะเรื่องของใช้เวลาอีกนิดนึงเพราะว่าอยากจะทราบว่าที่ว่าท่านพูดทางตริยักว่ามรติเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยจะไม่ซ้ํากัน ไม่ไม่ใช่เราจะต้องไปพวงอะไรไม่ใช่ว่าอะไรตรงไหนไม่ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยดูที่ผลว่าดูดูที่เหตุทําเหตุไปเรื่อยไม่คํานึงถึงผลแต่ถ้าภาวนาไปแล้วมันก็พอวัดผลได้เช่นสติเราเกิดเร็วขึ้นเรื่อยนะกิเลสย้อมจิตได้น้อยลงเรื่อยๆะจนถึงวันหนึ่งปล่อยวางกายถึงวันหนึ่งปล่อยวางจิตะพอปล่อยวางจิตแล้วจิตจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยจิตจะใหญ่ครอบโลกนะ เป็นอันเดียวครอบโลกจะไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วอย่างของโยมรู้สึกไหมมันจะต้องไปเข้านิพพานาเข้านิพพานแล้วออกจากนิพพานมาอยู่ในโลกนะมีเข้ามีออกนะหลวงพ่อเคยโดนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งจวกเอาแม้จำแม่นเลย น, นะจําไปได้นานเลยนะจนป่านนี้ยี่สิบปีมาแล้วยังไม่ลืมแช่จารย์บุญจันแะช่จันบุญจั น, จ น, จนตฉะ น, นั้นไปสัมมาาตอนนั้นยังเป็นข้าราชการอยู่ไปสัมมาา ที่เชียงใหม่พอตกค่ำเขากินเลี้ยงกันท่านอาจารชอบกินเลี้ยท ง, ทงทั้งๆที่ยากจนนะเหลวงพ่อหนีหนีนนไปวัดไปวัดสันติธรรมไปกลับท่านอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินรู้จักท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลป์เราไปถึงวัดสันติธรรมเนี่ยมันมืดแล้วมีพระองค์หนึ่งมายืนอยู่หน้าวัดพ้านหนุ่มๆเลยะบอกว่าตอนนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์มาอยู่ที่วัดสันติธรรมมาพักพักอยู่ท่านไม่สบาย ให้ไปหาท่านหน่อยจะมาบอกไม่หาหรา อ, อกไม่รู้จักเดมาหาอาจารย์ทองอินเสร็จแล้วไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะจนดึกเลยออกมาหนาวจัดเลยนะตอนนั้นมืดตืดต้อเลยหนาวมากเลยออกมาจากคุติอาจารย์ทองอินนะเช้าวันนี้ยังยืนอยู่หน้าคุติรบเร้าตลอดเวลาเลยบอกไปหาหน่อยไปหาหน่อยเราเสียไม่ได้นะก็ไปเอาขึ้นไปถึงคูติท่านนะท่านท่านไม่สบาย ท่านยังไม่ยอมเข้าห้องนะท่านนอนอยู่ที่ตังเอาผ้าคลุมโปงไว้ก็ขึ้นไปถึงระเบียงชั้นบนท่านนะท่านก็ลุกขึ้นมานชี้หน้าเลยเพราะน้ายังไงสมาก็เล่าเล่าคล้ายๆโยมเล่าอย่างเงี้ย <c oughs> เล่าไปเล่ามาโดนท่านตักข้อกเอาเฮ้ยนิพ <c oughs> นธ์ะนนอะไรมีเข้ามีออก ไงจะภาวนาอย่างไงรนะหรือว่าท่านสั่งไม่ออกนะแล้วเล่าอีกทีหนึ่งนะโดนท่านตะคอกอีกเฮ mm ้ย hmm. นิพานอะไรมีเข้ามีออกนะโหเลิกเลยนิพานอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะรู้แนละ้วนิพานปลอมนะนิพานจะต้องเป็นหนึ่งนะไม่มีเข้ามีออกนะ <c oughs> เสร็จแล้วพอใจเราวางความเข้าใจผิดตัวนี้แล้วเนี่ยกราบท่านนะลงมาพอพอใจเราโล่งขึ้นมานะท่านหัวเราะเลย หัวเราะเสียงดังเลยหัวเราะดังเราก็คลึงใจนะหัวเราะตามไปด้วยเนะี่ยเราไม่ไม่ชํนานาญไม่รู้ลูกเล่นของครูบาอาจารย์วัดป่านะท่านทดสอบเราเองพรนะาะเรานี่มันทะลึ่งหน้าดูเลยนะท่านแกล้งหัวเราะเราก็หลงตามนะท่านหยุดตึกเลยนะอยู่ๆท่านหยุดตึกเฉยไม่มีอะไรเลยเราก็ตามท่านบ้างนะหยุดบ้างเฉยเอนะท่านมาเอออย่างนี้ใช้ได้ไปได้ลนะกราบลาท่านลงมา เนพรนุ่มนั่นงวิ่งตามมานะบอกว่าเนี่ยท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นแล้วเอาตัวไปให้ได้นะไม่รู้จักท่านนะไม่รู้จักท่านเลยท่านคงรู้สึกสงสารมันจะไปหลงนิพพานอยู่น <laughs> <c oughs> ิศานยังมีเข้ามีออกนะขอทระคัมภีโทษนะคะขออีกคาถามหนึ่งค่ะ <c oughs> คือหลวงพ่อท่านเชื่อไม่ ค, คือในสมรรายพุทธการนี่คาะวาคฤหัต สามารถที่จะบรรลุธรรขั้นสุสงสุดได้แต่ในยุคปัจจุบันนี้จะมีความเป็นไปได้อย่างนั้นหรือไม่ ค, คือธรรมะมันเป็นของกลางนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอะไรหรอกถ้าใครปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็ทําได้มันไม่มีข้อห้ามอะไรพระธรรมะที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้นะยังมีบริบูรณ์อยู่ในยุคนี้ไม่ได้สูญหายไปเพีแต่พวกเราไปเล่นธรรมะเนื้องอกไปเยอะนะเฟื่อเฟื่อ สังเกตให้ดีลองไปอ่านาพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า ห, หายใจท่าไหนให้เดินท่าไหนไม่เคยสอนเลยนะไม่มีนะว่าเดินต้องมีกี่กระบวนท่านั่งมีกี่กระบวนท่าหายใจต้องรู้จุดที่ลมกระทบกี่แหงนะหกฐานเจ็ดฐานแปดฐานสิบฐานอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะขยับมือมีกี่จังหวะไม่เคยสอนเลย ทำไมท่านไม่สอนแต่ท่านสอนธรรมารวนๆสอนอริยสัจนะทุกข์คือกายกับใจให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงนะรู้ทุกข์แล้วละสมุทยัยแจ้งนิโรธนะสอนอย่างนี้สอนบอกว่าไม่สุดโต่สองข้างนะไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจที่สอนง่ายๆอย่างนี้หรือสติปัฏฐานนี่ท่านสอนใช่ไม้มนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดหมายถึงรู้ว่ารูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่ง เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ก็รู้ว่ารูปมันเดินไม่ใช่เราเดินใจมันเป็นแค่คนดูหรือว่ามีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ไม่ได้ให้ทําอะไรให้รู้หรือสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้สอนนะว่าพิสูจทั้งหลายห้ามมีราคะไม่ได้สอนนะพิสูจทั้งหลายมีราคาแล้วให้ละเสือไม่ได้สอนอะไรเลยสอนง่ายๆเลยเดี๋ยวพวกเราพอได้ยินบอกว่าให้ดูจิตสมมตดูจิตเราเริ่มตั้งคําถามแล้ว จะอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีจะตั้งไว้ตรงลิ้นปีดีไหมหรือจะตั้งไว้ที่หัวใจหรือไงทีนี้เป็นคําถามที่เกินกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระเจ้าสอนแค่ว่าจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคะเราชอบคิดให้เกิด น, นะเอาจิตไปตั้งตรงนั้นจิตไปตั้งตรงนี้กําหนดอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้พรนะพุทธเจ้าสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดยของเราก้าวไปก็ต้องมีหลายจังหวะอีกแล้ว มีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะทาไมพระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วนะท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเพื่อการบรรลุมรค น, นิพพานนะเพื่อความพ้นทุกสิ่งที่ท่านไม่สอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่จําเป็นนั่นเองแต่เราทุกวันนี้กําลังเรียนสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่จําเป็นพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายสังเกตไหม เริ่มจากหายใจอย่างเงี้ยหายใจแล้วต้องมานั่งถามนะต้องนั่งท่าไหนหายใจถามว่าถ้านั่งปิดท่าแล้วมันไม่หายใจหรื อ, อยังไง<ม>นะเอะาต้องนั่งให้มันวางฟอร์มนั่งอหายใจแล้วต้องรู้ลมกระทบที่ตรงไหนบ้างกระทบจะงอยปากกระทบจมูกกระทบเทดาใช่ไหมกระทบคอกระทบหน้าอกกระทบท้องอะไรเนะี้ยทําไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่รุ่นหลังๆเรามาสอนสิ่งเหล่านี้ เดินต้องมีเท่านั้นจังหวะใช่ไหมทหําะไรนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกินเกินมันคืออุบายที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมาพวกเราควรจะลืมลืมอุบายซะบ้างนะแล้วกลับมาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรียนอริยสัจนี่แหละดีที่สุดเดยวนึกว่าอริยสัจเป็นธรรมชั้นสูงนะอริยสัจนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้สอนคารวะทั่วทั่ ว, วไปนะมันคือหนึ่งในห้าของธรรมะที่เรื่องอนุปุปพิกถา สอนคารวาสทั่วๆไปนี่แหละคารวาสมหาท่านใหม่ๆเลยไม่เคยฟังธรรมะมาเลยเนี่ยท่านสอนอันที่หนึ่งให้รู้จักทำทานนะให้รู้จักถือศีล น, นะนี่ข้อสองนะทำทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะมีความสุขนะสวรรค์ก็ยังไม่ดีนะไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นโทษนะทางออกจากการรมมีอยูย่แล้วก็สอนอริยสัจสี่เพราะ้นอริยรรสัจสี่เป็นธรรมะทั่วๆไปที่ท่านสอนกระทั่งกับคารวาส หลายคนมาบอกว่าหลวงพ่อปราโมทย์สอนเรื่องอริยศาสตร์สอนสติปัฏฐานอะไรนี้ยากไปนะยากไปขั้นต้นต้องหายใจท่านี้ก่อนเนะีต้องเดินท่านี้ให้เป็นก่อนเลี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้หลวงพ่อจําจํามาสอนต่อเนี่ยนะท่านไม่ได้สอนว่าให้เดินยังไงให้นั่งยังไงให้หายใจยังไงกินข้าวมีกระบวน่ารยังไงนะอาบน้บํามีกระบวนการยังไงนะท่านไม่ได้สอน เป็นเราลองทบทวนนะลองอ่านพระสูตรดูนะคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยูนะ่ไม่มีสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆสอนนะ น, นถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะสติจะเกิดเรื่องอัศจ ร, รนะถ้ารู้ว่าเราต้องรู้กายต้องรู้ใจบ่อยๆอย่าใจลอยไปคอยรู้กายคอยรู้ใจฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้แหละถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นได้ร่นะางกายขยับไปเยื่ยนเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกขึ้นมา จิตใ จ, ใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลมันจะรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกเองเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกายนี้ใจนี้เขาทํางานของเขาไปทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเนี่ยเขาละว่าเขาไม่ใช่ตัวเรานี่นะได้พระโสดาล้วต่อไปขยับอะไรนิดนิ ด, น ด, นดหน่อยๆสติเร็วรู้หมดเลยนะกิเลส ท, ที่รุนแรงเกิดไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราเขาหมดกามและปฏิฆะ ต่อไปก็อย่าละความยึดถือจิตได้ตรงนั้นสังโยชน์เบื้องสูงไมขาดตรงนั้นเลยเพระธรรมะมีอยู่เท่านี้นะมีเพียงเท่านี้อย่านึกว่ายากเกินไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือสิ่งพื้นๆที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คนยุคโน้นกับคนยุคนี้มันก็คนเหมือนกันแหละแต่คนยุคนี้มันคิดมากหน่อยคิดมากมันก็ยากนา น, น, น เจตพิยมผู้หญิงนั้นพูดนะก็ถูกต้องจริงๆไม่ไม่มีเลือกยุคเลือกสมัยหรอกนะธรรมะไม่กลางเชิญครับหลวงพ่อครับมีคำถามครับคือหลักคำสอนพระพุทธศาสนาพูดถึงละชั่วทำดีทำจิตใจให้ข่องใสทีนี้หลักการภาวนาเนี่ยเราก็จะพิจารณาทั้งจิต มองและจิตผ่องใส ใ, ในโลกปัจจุบันรู้สึกว่าวนคนส่วนใหญ่จะมีจิตหมองมากกว่าจิตใสไม่ทราบว่าจะมีวิธีปฏิบัติยังไงเพื่อให้ถึงจิตที่ผ่องใสได้โอ้ถามดีมากนะถามดีถ้าเมื่อไรมีสตินะก็เป็นอันละชั่วเมื่อไหรมีสตินะก็เป็นอันทําดีเมื่อไรมีส ต, นะสติจิตก็ผ่องใสะถามว่าคนสมัยก่อนจิตผ่องใสเยอะคนสมัยนี้ผ่งใสน้อย ถ้าคนที่ไม่ได้เจริญสติก็ผ่องใสน้อยนะแต่ถ้าคนเจริญสติผ่องไสบ่อยแต่สั้นๆเนะช่นเราใจลอยไปรปุบเนี่ยจิตเศ้ามองแล้วใจลอยพุ้งส่านนะเป็นโมหะจิตมีโมหะใจลอยแวบแต่เรามีสติระลึกได้ว่าใจลอยขนาดนั้นผ่องใสล้เนะีดีแล้วถามอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนทิงหลวงพ่อคำเขียนลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนภาวนาเก่งนะหลวงพ่อคำเขียนใครอย่าไปหลงด่าท่านนะ หลวงพ่อคำเขียนแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเล่าไปแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มนะบอกว่าโอ้อาจารย์ประโมทสอนเจริญสติดีนะคนไม่ค่อยพูดเรื่องเจริญสติตอนน้นผมไปเทศที่สวนลุมทีนีมีคนมาว่าผมอะไรก็สติอะไรก็สติทำไมไม่สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านก็ยิ้มยิ้มบอกก็ถูกของเขาเหมือนกัน แต่ว่าเขาลืมไปอันหนึ่งนะถ้ามีสติก็มีศีลนะถ้ามีสติก็มีสมาธิถ้ามีสติก็มีปัญญาเนะฉะนั้นเรามีสติบ่อยๆนะเดี๋ยวจิตเราผ่องไสผ่องใสนะผ่องใสมากๆเลยนะเพิ่งมีโยมมาเล่าเมื่อวานนะี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์หนึ่งใจถึงก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทใครกันหลายคนไม่ได้นัดกันนะไปไปนะท่านบอกไม่ต้องบอกท่านก็รู้พวกมีสว่าง ตรงนี้จิตสว่างจิตใจมันตื่นใจมันผ่องใสแล้วเราไม่ได้ภาวนาจนกระทั่งมืดตื้อตื่อนะไม่ได้ภาวนาจนเครียดนะตามสถิติคนที่มาเรียนกับหลวงพ่ อ, อยังไม่เคยมีบ้าสักคนเลยนะอมีแต่คนบ้ามาเรียนหลวงพ่อเลยต้องขอร้องญาติโยมนะถ้า พ, พวกบ้าแล้วพาไปหาหมอนะไม่ต้องพามาหาหลวงพ่อนะมีครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งท่านใจดีท่านอยู่ทางแม่สอบนะเพื่อหลวงพ่อมาหาวิบูล มันมีความทุกข์นะชอบไปนั่งเล่าให้ท่านฟังเลยท่านก็ใจดีนะท่านทนส่วนฟังมันทุกวันเลยฟังฟังแล้วท่านก็เหนื่อยเครียดนะท่านประเภทชอบบที่สัจนะท่านอกอุ้มสัพพสัจสัจมันก็ทุกข์ทุกข์มาหาเล่าเล่าเล่าสัพพสิท่านชอบทำกับสินทำสมาธิพักผ่อนส่วนหลังๆคนมากวนท่านไม่ได้ทำสมาธิเป็นรูปแบบอะไรแล้ววนแล้วท่านก็เหนื่อยมากปวดหัว ท่านก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าปวดหัวควรเอาทุกข์มาให้ท่านเยอะแยะเลยแต่ละวันลูกศิษย์าแล้วหลวงพ่อทำไงอะต้องฉันภาลานะไม่ไหวแล้วนะงั้นหลวงพ่อไม่ยอมฟังนะเห็นไหใครจามาลำพึงลำพันนะสามีทิ้งลูกดือ้อไปแก้ปัญหาเ อ, าเองนะ หลวงพ่อไม่เคยมีลูกไม่รู้ว่าลูกดื้อจะแก้ยังไงหลวงพ่อรู้อันเดียวว่าถ้าเรามีสติไว้ความทุกข์มันจะไม่มาเชิญเชิญคราวที่แล้วที่ไปที่ศิลชะหลวงพ่อบอกว่าผมรีบเกินไปไม่ทรา่ายังรีบอยูปครับใจตอนนี้มันเกินธรรมดารู้สึกไหมเต้นฮะใจมันเต้นเต้นแล้วมันเจ้าออกไปข้างนอกนแล้วมันก็ตรึงความรู้สึกไว้ข้างในประคองไว้กําลังไปประคองแล้วเหรครับเธอ ไม่ทําให้รู้ต่างความเป็นจริงเหมือนเดิมไหมเออคำตอบมีรูปเดียวครับรู้ต่างความเป็นจริงครับเวลาไปที่วัดหลงพ่อนะถ้าใครไปนั่งฟังแล้วจึงงนะคนหนึ่งมารายงานหมู่นี้โทสะเกิดบ่อยเออดีดีอีกคนหนึ่งหมู่นี้ใจนะสงบแล้วก็พุ่งสร้างพุ่งสร้างแล้วสงบเออดีนะดีใครมาบอกอะไรนะหลวงพ่อว่าดีหมดเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันดีทั้งนั้นแหละสังกตได้ครับหลวงพ่อเมื่อวันก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมดูว่ามันเพ่งไปมันเพ่งมันยังให้ดูว่าเพ่งนะครับก็คือว่าบางครั้งผมก็ดูว่าเพ่งแต่ว่าบางครั้งพอเราเพ่งแล้วผมก็พยายามไปทํางานไม่กระสิใจมันก็ให้บังเกิดแล้วก็ดูใหม่ครับในทีนี้บางทีพอดูใหม่อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าหรือวามันไปเพ่งหรือเปล่าบางทีก็ดูไม่ออกมาเพ่งนะครับ มันดีขึ้นแล้วเพ่งน้อยลงใจเบาขึ้นสบายขึ้นโปร่งโปรงขึ้นแต่ขนาดนี้ไม่รู้สึกตัวรู้สึกไหมขนาเนี้ใจมารอคําตอบอยู่รู้สึกไหมอันนี้หายไหมหายอันนี้รู้สึกตัวป้ายังครับยังกําลังอยากได้คําตอบรู้สึกไหมมีความอยากรู้สึกไหมรู้สึกไหมใจกําลังดิ้นลุกหลีกหลุดหลกอยู่ดูออกไหม กำลังบังคับตัวเองอ่ะทราบไหมถ้าขับเออย่างนี้สิเพียงที่ถึงจะใช้ได้ไม่ต้องดีก็ได้นะเรียนกับหลวงพ่อเห็นกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสดีนะมาตรฐานหลวงพ่อถือว่าสอบผ่านแะมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสใช้ได้มีกุศล ร, รู้ว่ามีกุศลใช้ได้มีกุศลไม่รู้ว่ามีกุศลใช้ไม่ได้นะนี่มาตรฐานนี้ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้จิตเป็นกุศล ร, รู้ว่าเป็นกุศลดี เป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอยู่ใช้ไม่ได้จิดเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลแลดีจิดอกุศลแล้วไม่รู้ว่าอากุศลนะเร็วสุดๆเลยเพราะชาตินี้เอาดีไม่ได้ล้วรู้สึกว่าอยู่ใกล้หลวงพ่อจะรู้สึกว่าเก่งกว่าปกติเป็นธรรมดานะมีนะบางคนไม่เตรียมตัวนะแอบมาถ่ายรูปหลวงพ่อแล้วไปขยายใหญ่ๆปิดไว้รอบบ้านเลยเสร็จแล้วพอเดินทน่านี้สง่นะ อ่านมาทางนี้ก็ผงาดน ะ, ะเสร็จแล้วมาท้าบถามหลวงพ่อจะเอารูปมาถวายได้ไหมหลวงพ่อไม่เอาไม่อยากเห็นนะะเอาไปเผาที่ไหนก็ไปเลยนะมีอยู่คนอุตส่าห์เอามาให้อันไปเลิกเลยมหลวงพ่อหาเหยื่อแจกต่อไปได้ส่งไหมไปไปเขาขัดนะครับแล้วพอรู้ส็กตัวแล้วมเมื่อกี้ก็ไม่รู้ก็รู้แล้วมันทําไงต่อ ให้รู้ว่ากำลังสงสัยว่าจะทํำยังไงดี <espí rit us> รู้ลงปัจจุบันไปนะครับรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความรู้สึกของเราเปลี่ยนตลอดเวลานะเดี๋ยวสุเดี๋ยวทุกข์เดียดเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวงงอ่างเงี้ยนะเดี๋ยวรู้สึกสบายใจนะเดี๋ยวแข็งแข็งขึ้นๆเกลงๆดูไปเรื่อย <S <S เข้าใกล้หลวงพ่ อ, อ, อก็เกร็งมากหน่อยส่วนมากลัวความลับล้วไหล ไม่เปิดโปงนะไม่ต้องกลัวนะกลับมารช ก, การเจอข่ะหลวงพ่อหนูเป็นลูกศิษย์ใหม่เพิ่งมาครั้งแรกนะคะหนูจะเรียนถามว่าเออหนูเคยปฏิบัติมาแต่ไม่เหมือนแบบนี้มาอันนี้เป็นอันที่สามที่หนูรู้ครั้งแรกนี่หนูไปแบบรู้แล้วทิ้งแล้วพอเริ่มทุกข์ใครทําอะไรให้ไม่ดีอย่างนี้ก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยพอมาเจอเขาทาไม่ดีแบบเก่า ก็เกิดความรู้สึกนั้นในอีกหนูก็เลยคิดว่าผิดและเพราะว่ามันเป็นอนุสใสพอเจอปุ๊บทิ้งหนูก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาคราวนี้หนูคุก็มาทางหลวงพ่อทูล น, น้อมเช่นเออเวลาหนูกั้านข้าวลูกชายแล้วอยู่ลูกชายอิ่มและเขาไม่บอกอิ่มเขาคายพริดออกมาบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เขาเาิ่งเล่นอยู่เลย ก้าหนูพูดแล้หนูก็รู้ตัวแล้วหนูโกรธนะโอ้ทาไมขังขยะไม่คายไม่คายกระด่าทำไมมาคายท่านฝอนให้น้อมหนูก็น้อมน้องแล้วเราละแล้วเคยคายหรือปฏิเสธอันนี้กับอย่างนี้กับใครไหมหนูก็นึกขึ้นได้วเออหนูเคยเวลาคนก็ชวนกินข้าวอะไรอร่อยหนูอิ่มแล้วหนูก็อุ้ยไม่เอาอิ่มแล้วแม่ซื้อสุกข้าวมาอุ้ยเจ้านี้ไม่เห็นอร่อยหนูเห็นตัวเองแล้วว่าโอ้เด็กเราก็เป็น หนูก็เลยอภัยให้ลูกได้หนูก็เบาขึ้นพอมาทางนี้หนูคือหนูน้อมทุกด้านที่หนูมาฟังทางด้านหลวงพ่อหนูอยากรู้ว่าหนูจะเอาที่หลวงพ่อสอนวันนี้ไปปรับใช้กับสายที่สองที่หนูทําทํารูนหลวงพ่อทูนได้ตรงไหนอย่างไรเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นเจ้าค่ะคืออย่างการคิดพิจารณาเนี่ยนะหนูสังเกตไหมมันก็จะคิดว่านี่ลูกนะลูกทาอย่างนี้เราก็ทําอย่างนี้มันมีเขามีเรา เพราะงั้นมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้านได้สมถะได้ความสงบคือใจเราไม่โมโ oh หแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเห็นในโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีเราในโทสะนะ ไม่มีสิอนุใส่เนี่ยมันเกิดจากอนุสัยเดิมมีโทสะอยู่แล้วโทสะอนุสัยอนุสัยตัวนี้สะสมมาแต่ชาติไหนๆสะสมมาเรื่อยๆนะพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดนะีอนุสัยนี้ก็ปรุงเป็นกิเลส ช, ชั่วยาบขึ้นมานะถ้ายังไม่กระทบอารมณ์ไม่ดีนะอนุสัยตัวนี้ก็ยังไม่ทํางานนะแต่ถ้าราคานุใส่นะอนุสัยที่มีราคะพอกระทบอารมณ์ที่ดีเนะี่ยราคะจะทํางานขึ้นมา เพรนั้นพออนุสัยโทสะเนี่ยพอกระทบอารมณ์ไม่ดีปุ๊บอนุสัยพุ่งขึ้นมานะมันคล้ายๆมันลงทุนแล้วปรุงกิเลสอยากขึ้นมาถ้าสติเวายเนี่ยนะกิเลสจะดับทันทีมันปรุงแล้วมันขัดทุนแต่ถ้ามันปรุงแล้วมันกําไรนะมันโทสะขึ้นมาทุบลูกไปห้าทีแล้วนะทุบลูกแล้วพอลูกร้องไห้จ้าตัวเขียวเศร้าใจเศร้าใจก็เป็นโทสะอีกตัวหนึ่งเนี่ยสะสมอนุสัยไว้มากๆนะมันอนุสัยมันเป็นความเคยใจ ที่จะทําชัว่วเพราะฉะนั้นถ้าหากกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราตอบสนองไปเรื่อยๆไม่มีสติรู้ทันนะอนุสัยก็เพิ่มปูนเหมือนคล้ายๆหัวเผือกหัวมันอะไรอยู่ใต้ดินนี้แหละมันงอกขึ้นมานะถ้า ง, งอกมีใบขึ้นมาถูกแดดสูกอะไรมันก็สะสมหัวมันก็ใหญ่ขึ้นะถ้ามันงอกขึ้นมาสติเห็นขาดสติเห็นขาดนี่หัวมันจะต่อลงไปเพราะฉะนั้นในการที่เราจเจริญสติรู้จิตรู้ใจตัวเองอยูย่ไม่ได้ละกิเลสนะ แต่ละอนุใสอนุใสจะค่อยอ่อนกำลังลงกิเลสนะั้นไม่ต้องไปล่ามันแค่มีสติกิเลสก็ดับแล้วสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องฝึกเพื่อล่ากิเลสนะฝึกให้มีสติกลาวัฐประการพระขุนเจ้านะคะไหนกล่าวอยู่ที่ไหนคื อ, อ, คอหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็ฟังจากีดีของพระพุทธเจ้ามา ได้ประมาณสองสารอบแล้วก็เริ่มลองนั่งสมาธิเองแล้วก็ปรากฏว่าพอนั่งไปสักพักเนี่ยมันจะเหมือนมีภาพอะไรเยอะๆแยะเลยเข้ามาให้เห็นพอเห็นไปสักพักุกู ม, มันก็จะหายไปหายไปแล้วมันจะคือมันจะมืดหมดแล้วมันจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพุ่งไปในอุโมงค์อะไรสักอย่างคือมุกพุ่งไปเรื่อยๆไม่มองไม่เห็นมันจะเห็นลักษณะเหมือน อุโมงสว่างบ้างแล้วก็มืดบ้างมันจะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะก็อยากจะทราบว่ามันเป็นรอนแล้วก็นะไม่เหมือนรถไป้าใต้ดินนะไม่ต้องลงอุโมงนะแทนเออเดินจงกรมไหมแทนที่จะไปนั่งให้เคลิ้มๆเราเห็นน่นเห็นนี่นะลืมตาขึ้นมาอย่านั่งหลับตาเคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมใช่ฮะนั่งสมาธิก็นั่งลืมตาไหมขนาดนอนยังนอนลืมตาเลย พระนอนก็ลืมตาถ้านั่งก็ลืมตาพ้าเดินก็ลืมตาเป็นสัญลักษณ์ของความตื่นความรู้สึกตัวดังนั้นเราอย่านั่งให้เคลิมนั่งแล้วรู้สึกตัวไปนั่งแล้วก็ดูจิตดูใจของเราไปหรือไม่ก็บริกรรมไมอย่าให้เผลอพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้ใจหลงไปอย่าให้ใจเคลิคล้มไปทางที่ดีนะกระดุกกระดิกไว้ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไวปดีกว่าทํากรรมฐานนั่งนิ่งๆแล้วซึมลงไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ เดี๋ยววันหนึ่งเห็นอะไรที่มันน่ากลัวนะไม่ดีแต่ถ้าเห็นอะไรน่ากลัวนะให้ย้อนดูจิตตัวเองนะให้ย้อนดูที่ความกลัวส่วนเรานั่งภาวนาอยู่แล้วผีโผล่ขึ้นมาข้างหน้าเราเนี่ยนะอยดูที่ผีนะไม่ต้องไปพิจารณาผีนะให้ย้อนมาดูเลยใจมันกลัวถ้าเราย้อนมาดูที่ใจนะความกลัวดับทับนะ้งน่ยะเราส่งจิตกลับออกไปดูถ้าเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมามันหายไปละแต่ถ้าเป็นผีตัวจริงส่งไปก็ยังเจะเอ๋ได้อีกนะ แต่ว่าทางที่ดีนะรู้สึกตัวไว้เคลื่อนไหวนะเจอเหลียวซ้ายแลกว่ารู้สึกตัวไว้เนี่ยขนาดนี้จิตสว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมให้มันรู้สึกไว้อย่างนี้อย่าน้อมให้ซึมไม่อยากพูดแล้วรู้ไหมเหมือนมันตัวเองกำลังพุ่งรู้สึกว่าตัวเองกาลังพุ่งอยู่แต่มันหยุดไม่ได้ไม่ได้หยุดนะให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่อยากหยุดนะให้รู้ทันที่จิตเราไม่ไปรู้ที่อาการของมันดอก ก็อยากถามว่าอย่างอย่างโตของเมงเนี่ยควรจะฝึกอะไรหรือว่าอะไรยังไงต่อครับผมอะไรนะหลวงพ่อคือควรจะต้องทํำยังไงเวลาฝึกเนี่ยเ อ, อย่าอยากฝึกอันแรกเลยเพราะว่าพออยากฝึกเนี่ยเราจะไปข่มตัวเองให้นิ่งรู้สึกใจตอนนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงไหมแล้วเลิกะัะแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะไม่ได้ไปบังคับให้นิ่ง แล้วก็ดูความรู้สึกที่เคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราบังคับจิตใจให้นิ่งมันจะไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่มันนิ่งๆปล่อยให้ใจมันทำงานไปแล้วตามดูมันไปให้ใจเขาทำงานนะไม่ได้ฝึกไม่ให้มันทำงานเช่นจิตมันจะคิดนึกปรุงแต่งให้มันคิดนึกปรุงแต่งไปแต่เรามีสติรู้ทันเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งอย่างพป่อพุกเนี่ยรู้มันจะรู้ไหมฮะว่าเรา มีสติมาจจะอะไรตอนไหนยังไงครับคือถ้าถ้าเคยฝึกจนกระทั่งจิตจําสภาวะได้นะสติถึงจะเกิดอยู่ๆสติไม่เกิดหรอกนะต้องหัดรู้จักสภาวะนะหัดดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี้ยตอนนี้ใจหนีไปกันแล้วรู้สึกไหมหลายๆแวบ๊แวบๆไปนะหัดรู้จักแล้วก็รู้จักหนีไปคิดไหมนะถ้าใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกแค่นั้นก็พอละเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม อบบัดแบบนี้ใจไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบบรู้สึกไปเนียขอบเชิงกลาบในมรดการหลวงพ่อครับอ่าวันนี้มาส่งการบ้านโดยเฉพาะนะครับคือตั้งแต่เริ่มฝึกดูกจิตกับหลวงพ่อครับก็คือรู้สึกว่ามันเวลามันมีความทุกข์ก็คือใจมันไหลไปกับอารมณ์บางอย่างเนี่ยพอมันรู้สึกตัวปุ๊บมันเหมือนมันหลุดออกมาจากตรงนั้นนะครับหลวงพ่อคือแวบๆพอดีบางครั้ง ดูดูจิตดีดีมันก็ไปดันไปรู้สึกกายครับหลวงพ่อโดยที่เราไม่ได้จงใจรู้สึกนะครับเออแต่ละใช้ได้คือสติเนี่ยเป็นอนัตตานะสติเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยสั่งให้เกิดไม่ได้แต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะไปรู้กายหรือมันจะไปรู้ใจก็เลือกไม่ได้อีกน<ช>ั้นสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันพูดตอนเบื้องต้นเท่านั้นเองจุดตั้งต้นบางคนดูกายแล้วเกิดสติบางคนดูจิตแล้วเกิดสติ แต่เมื่อเกิดสติแล้วเนี่ยมันดูทั้งกายทั้งจิตสติเดียวก็ระลึกรู้กายถ้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันเด่นนะสติก็ระลึกรู้กายเห็นแล้วก็ปัญญาก็รู้ทันสมาธิคือใจตั้งมัน่นเห็นกายเคลื่อนไหวปัญญาเกิดเห็นกายไม่ใช่เราถ้าบางทีจิตมันเกิดความรู้สึกที่แรงขึ้นมาเช่นมันโกรธขึ้นมาสติระลึกรู้ความโกรธ พอเรารึรู้ใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูอยู่ปัญญาเกิดเห็นว่าความโกรธนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลวงพ่อครับพอดีว่าขอ อ, อ, อยากทราบว่าเกี่ยวกับ การนำธรรมะครับหลวงพ่อไปใช้ในการช่วยในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการประกอบอาชีพเงี้ยครับหลวงพ่อว่าเราจะทำไงถึงจะเลือกทางเดินที่ถูกต้องได้ในการดำเนินชีวิตประจํำวันครับเพราะบางครั้งอาชีพบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องบินเม ก, กับการเรื่องของศีลอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นข้อหมูสาอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อคือเราคิดว่าบาร์ทีต้องมุสานถึงจะทําธุรกิจได้ดี แต่ถ้าลูกค้าเชื่อว่าเราไม่มุสานะธุรกิจน่าจะดีกว่านั้นหมดเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อฟาวเปลี่ยนนิเดียหลวงพ่อมาสอนที่นี่เกือบปีแล้วนะตันนี้เดือนธันวาแนละ้วพอหรือยังนะจะได้เลิกว่าไงว่าไงยังเหรอรู้สึกเหนียวแน่นนะ แต่พวกเรารู้สึกอะไรอย่างไหยพวกที่มาฟังหลายๆรอบแล้วรู้สึกไหมใจของเราสว่างมากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมความทุกข์สั้นลงสั้นลงรู้สึกไหมเนะี่ยถ้าสังเกตนะคนไหนมีตาที่ไหวๆนะจะสังเกตคนในห้องนี้นะจิตสว่างสวัยเยอะมากเลยจิตนะใจจะโปร่งจิตใจจะโลง่งจิตใจจะเบานะเราสามารถวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวเราได้ด้วยตัวเราเอง แต่การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติเนี่ยต้องวัดารายไตรมากนะแบบสภาพัดนะหรือรายรายปนีนี่หลวงพ่อกําลังชวนวัด น, นี่ยหลวงพ่อมาสานที่นี่ครึ่งปีละครึ่งปีกว่าๆนะตั้งแต่เดือนพฤษภาเว้นไปเดือนหนึ่งนะชสวยโอกาสเขาบอกว่าเขาจะเลือกตั้งแล้วตามมาเขาบอกเขาไม่เลือกนะหลวงพ่อก็บอกไม่มาหรอกสังเกตไหมเวลาประมาณครึ่งปีคนที่มาฟังแล้วฟังอีกนี่ยจิตใจไม่เหมือนเดิมนะจะรู้สึก ฟังธรรมะนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วต้องคิดมากคิดมากว่าจะไม่รู้เรื่องฟังไปเถอะฟังไปแล้วสติมันจะเกิดเอสติเกิดเราวัดความรู้สึกของเรานะจิตใจเราไม่เหมือนเดิมจิตใจเราสงบมากขึ้นสะอาดมากขึ้นสว่างมากขึ้นสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นความทุกข์สั้นลงสนะั้นลงกิเลสอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปนะแล้วการดำรงชีวิตของเรานะมันประณีตขึ้น เคยผิดศีลเพื่อจะชัก จ, จ, จะผิดศีลได้น้อยลงหมันละอายแก่ใจพระสติมันเร็วนะคนรอบๆตัวเราจะเริ่มรู้สึกนะถ้าตั้งใจปฏิบัติเนี้ยสักครึ่งปีนะตัวเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงคนรอบๆตัวเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าตั้งใจคอยรู้คอยดูไปเรื่อยนะคนในบ้านเราจะรู้สึกว่าเราร่มเย็นนะสงบร่มเย็นสมามาฝึกด้วยกันทั้งบ้านนะเย็นทั้งบ้านเลยนะเย็นเยือกเลยไม่ต้องเปิดแอร์นะ ต่อไปคนในที่ทํางานก็เย็นหลายคนมารายงานบอกเพื่อก่อนลูกน้องนะมันขี้เกียจนะมีคนหนึ่งมาจากเชียงรายบอกทําธุรกิจใกล้เจ็งนะนะ้เครียดมากเลยมาหัดดูจิต ด, ดูใจดูสบายใจนะสบายใจเดินเข้าไปที่ทํางานทุกวันเคยหงอยหงอเครียดจัดในนี้เดินเข้าไปยิ้มแยม้มทีแรกลูกน้องก็ผวานะนึกว่ามาไม้ใหม่นะแต่อมาเออยิ้มจริงๆนี่ดูมีความสุขจริงๆนะคนในรบับรับตัวแล้วมีความสุข ลูกน้องเคยแยกเคี่ยวใส่ลูกค้านะมันเริ่มมีความสุขมีความสุขเพียค้าขายลูกค้ามานะยิ้มแย้มนะ๋ยวนี้ออเดอร์เข้าเคียบเลยทำให้ทันนต่อยู่ที่ใจเราเองนะใจเราพัฒนาใจของเราให้ดีก่อนคนรับรับตัวมีความสุขขึ้นนะแล้วก็ไปดำารงชีวิตด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีศีลธรรมชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เป็น